วันนี้เป็นวันพระรหัสที่สิบเก้าธันวาคมพุทธศักราช2562้าสอ ง, อสสองเป็นวันพระวันธรร ม, มนะสวัสวันฟังธรรม วันที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้พุทธบริษัทได้หยุดการทำงานทำการหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อจะได้มาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มี คุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถทำสิ่งที่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำได้นั่นก็คือ การกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถจะทำได้ไม่ว่าจะมีเงินกองเท่าภูเขาจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระราชามหากริั์ เป็นประธานาธิ บ, บดีเป็นรัฐมนตรีนายกเป็นอะไรก็ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้นอกจากการเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระอาหารหันตสาวกเท่านั้นและการจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกได้ ก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นถ้ามีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นทุกข์เห็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาและเห็นวิธีที่จะทำให้ทุกข์ดับไปด้วยการปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเรา ในวันพระมาศึกษาธรรมะมาศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเมื่อเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นทุกข์เห็นการเกิดของทุกข์เหตุของเหตุของทุกข์ว่าเกิดจากอะไรเห็นการดับของทุกข์ว่าดับ ด้วยอะไรนะพอรู้วิธีดับทุกทุกต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหมดสิ้นไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายพก นี่คือสิ่งที่เรามาทํากันในวันพระในวันนี้วันนี้เราจะมาศึกษาวิธีที่จะทําให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาสิ่งที่เราต้องศึกษาก็คือว่าดวงตาที่จะเห็นธรรมนั้นคืออะไรคือตาที่เราเห็นด้วยร่างกายหรือหรือไม่เพราะเรา มีตาตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ทําไมเราจึงไม่เห็นไม่เห็นธรรมกันทําไมไม่เห็นธรรมเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาโลกเห็นกันถ้าเราเห็นธรรมเราก็จะเห็นทุกเห็นวิธีดับทุกเราก็จะดับความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาได้แต่เรายังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้ให้หมดไปอย่างถาวรเรากำจัดความทุกข์ได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวพอเกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็ทำให้มันหายไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาอีก นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไปดับต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองไปดับปลายเหตุเดี๋ยวต้นเหตุมันก็สร้างความทุกข์ใหม่ขึ้นมาอีกวิธีที่จะดับความทุกข์จึงต้องดับด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาที่จะเห็นธรรมเห็นทุกนี้ไม่ใช่ดวงตาของร่างกาย แต่เป็นดวงตาของใจเรียกว่าตาในหรือตาทิพตนะตอนนี้ตาในหรือตาทิพ์ไม่ทำงานเพราะว่าถูกโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ปิดบังเอาไว้ความหลงหลอกให้มาใช้ตานอก เป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ต่างๆแต่ตานอกนี้ไม่สามารถเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นมาภายในใจได้จะเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นวิธีดับทุกข์ต้องเห็นด้วยตาในพราะทุกข์เหตุของทุกข์และวิธีดับทุกข์ อยู่ข้างในใจนั่นเองถ้าใช้ตานอกตาของร่างกายถ้าเห็นก็เห็นเพียงแต่ชื่อของของธรรมเช่นเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะเราอ่านรายการชื่อของธรรมะไม่ใช่ตัวของธรรมะเราอ่านอริยสัจสี่ มีทุกสมุทัยนิโรธมากแต่นี่เป็นชื่อของธรรมที่มีอยู่ในใจของพวกเราที่เรายังเข้าไม่ถึงรู้จักชื่อแต่ยังเข้าไม่ถึงตัวเหมือนกับเวลาที่เราได้ยินชื่อเสียงคนที่มีชื่อเสียงต่างๆเราเพียงแต่ได้ยินชื่อเขา แต่เรายังไม่เคยพบตัวเขาเพราโอกาสที่จะได้พบกับเขานี้มันไม่มียจีงได้เห็นแต่ชื่อหรือเห็นแต่รูปของเขาเช่นคนดังๆมีชื่อเสียงเราก็จะได้เห็นชื่อเห็นภาพของเขาตามสื่อต่างๆแต่เราจะไม่ได้เห็นตัวของเขา เพราะเรายังเข้าไม่ถึงตัวของเขานั่นเองฉันใดทำที่พวกเราต้องการจะเห็นเพื่อที่จะทำให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้นั้นก็อยู่ที่เรายังเข้าไม่ถึงนั่นเองอยู่ในใจของเราแต่ใจของเรานี้ ถูกปิดเอาไว้ด้วยโมหะอาวิชชาปิดแล้วก็บอกให้เรามาใช้ตานอกเพื่อมาดับความทุกข์ต่างๆเวลาเรามีความทุกข์เราก็ใช้ตานอกไปดับความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราใช้ตาหูจมูกร่นกาย เป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ของเราเวลาเรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจเราก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพกันไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดืม่มความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวแต่พอเราหยุด กินหยุดเดิมหยุดเที่ยวหยุดดูหยุดฟังเดี๋ยวความทุกข์ก็กลับคืนมาใหม่นี่ไม่ใช่วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรเพราะเราทำกันมาตั้งแต่เราเกิดนะวันแรกที่เราออกมาจากท้องแม่เราก็ร้องไห้นะพ่อแม่ก็ต้องมาช่วยกำจัดความทุกข์ให้กับเรา ด้วยการหาอะไรมาให้เราดื่มให้เรารับประทานถ้าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็หาอยู่หายามารักษาให้นี่เป็นวิธีดับความทุกข์ที่ปลายเหตุไม่ใช่ดับความทุกข์ที่ต้นเหตุเพราะยังเข้าถึงตัวทุกข์และต้นเหตุของความทุกข์ไม่ได้ เข้าถึงแค่ปลายเหตุของความทุกข์คือเวลาเวลาไม่สบายใจก็ไปหาความสุขต่างๆมากำจัดความไม่สบายใจก็กำจัดได้เพียงระยะเวลาสั้นๆชั่วระยะหนึ่งเดี๋ยวไม่นานความไม่สบายใจก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ นี่คือการดับความทุกข์ของผุุ้ชนคือพวกเราผู้ที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมกันนี่เราเรียกว่าปุุ้ชนผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนี้เราเรียกว่าพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลก็มีอยู่สระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบัน ระดับที่สองเรียกว่าพระสกิฎาคามีระดับที่สพระอนาคารามีระดับที่สพระอรหันต์นี่คือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมมากน้อยต่างกันไปตามลําดับนะพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งก็จะเห็นหนึ่งในสี่ของธรรมนะพระอริยบุคคลขั้นที่สอง ขั้นที่สามก็จะเห็นอสองในสี่สามในสี่ของธรรมพระอริยบุคคลขั้นที่สี่คือพระอรหันต์จะเห็นธรรมครบร้อยเปรเนต์ก็เลยสามารถดับความทุกข์ต่างๆได้ร้อยเปรเนต์พระโสดาบันดับความทุกข์ได้ยี่สิบน์ พระสกิดาคามีดับความทุกข์ได้ห้าอนพระอนาคามีดับความทุกข์ได้ 75% าพระอารหันต์รพระพุทธเจ้าดับได้ร้อยเนพราะสามารถเปิดตาในให้เห็นธรรมได้ร0อปนนั่นเองนี่คือการจะเห็น าการจะมีดวงตาเห็นธรรมต้องเห็นด้วยตาในคือตาใจแต่ตอนนี้ตาใจถูกโมหะอวิชชาปิดบังเอาไว้เราจึงต้องมาเปิดตาในกันเปิดเอาสิ่งที่ปิดบังตาในออกคือโมหะอวิชชาให้ออกจากใจไปเมื่อออกจากใจแล้วทีนี้ เราก็จะสามารถเห็นธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเห็นได้ก็คือเห็นพระอริยสัจสี่ในระดับต่าง ๆ, ๆรพระโสดาบันก็เห็นพระอริยสัจสี่ในระดับของพระโสดาบันพระสกีดาคามีก็เห็นอริยสัจสี่ในระดับของพระ สกิดาคามีพระอนาคามีก็เห็นอริยสัจสี่ในระดับของพระอนาคามีพระอรหันต์ก็เห็นอริยสัจสี่ในระดับของพระอรหันต์ของพระอรหันต์เพราะว่าตาที่จะมองเห็นนี้่มีไม่เท่ากันนั่นเองเปิดตาออกไม่ได้เต็มร้อย เต็มที่ก็เห็นไม่ได้เต็มที่จะเราลองเอาปิดตาข้างหนึ่งเราก็อาจจะเห็นเมฆกว้างเท่ากับเห็นด้วยตาสองข้างอันนี้ก็เหมือนกันตาในที่จะเปิดขึ้นมาได้อย่างเต็มที่ก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนานี่เอง ต้องปฏิบัติจิตตะภาวนาคือจเจริญสมถภาวนาเป็นขั้นที่หนึ่งพอได้สมถภาวนาแล้วก็ไปปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาก็จะเริ่มเห็นธรรมต่างๆปรากฏขึ้นมาขั้นที่หนึ่งนี้เป็นเพียงแต่หันหันตาในให้ไปหาธรรม ขั้นที่สองวิปัสสนาเป็นผู้ที่จะเปิดทําให้ปรากฏขึ้นมาให้ใจได้เห็นอย่างชัดแจ้งนี่คือขั้นตอนของการที่จะทําให้เรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกเห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับของทุกข เห็นเหตุที่จะทําให้ทุกข์นั้นดับไปเรียกว่าทุกขสมุทัยนิโรธมากทุกข์ก็คือความไม่สบายใจต่างๆที่เรามีกันอยู่แทบทุกวันบางทีเพียงแต่ได้ยินเสียงขึ้นมาก็ทุกข์แล้วพอใครพูดไม่หวานหน่อยก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่พอใจแล้วนี่ก็เรียกว่าทุกข์เนี่ย ที่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากต้นเหตุของความทุกข์นี้คือความอยากสามประการอยากได้ยินเสียงที่ถูกใจพอไม่ได้ยินเสียงที่ถูกใจก็ทุกขนะ์นี่เป็นอยากได้ยินเสียงอยากได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจพอไม่ได้ก็ทุกข์อยากมีอยากเป็น อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากอยากร่ำอยากรวยพอไม่เป็นก็ทุกข์เนะีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดภาคจากคนที่เรารักสิ่งที่เรารักพอเกิดการแกร่การเจ็บการตายขึ้นมาก็ไม่สบายใจกันนี่ความไม่สบายใจ เกิดจากความอยากไม่ใช่เกิดจากสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆเราไม่มาทำให้ใจเราทุกข์สิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์คือความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราตามความอยากของเรานั่นเองพอไม่ได้เป็นไปตามความอยากก็จะทำให้เราทุกข์กัน ถ้าเราต้องการที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเราต้องทำอย่างไรเราก็ต้องอย่าไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆนั่นเองอย่าไปอยากได้ยินเสียงเพอ้อได้ยินเสียงอะไรก็ได้ทั้งนั้นเสียงด่าก็ได้เสียงชมก็ได้อย่าไปอยากได้แต่เสียงชมพอได้ยินเสียงด่าแล้วจะทุกข์ ถ้าไม่มีความอยากได้เสียงชมเวลาได้ยินเสียงด่าก็ไม่ทุกข์ใครอยากจะด่าก็มันก็แค่เสียงใครจะชมมันก็แค่เสียงใจผู้รับรู้ก็รับรู้ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมีความอยากได้ยินเสียงไพเราะเสียงชมไม่อยากได้ยินเสียงดุ ด, ด่าว่ากล่าว พอได้ยินเสียงดุด่าว่ากล่าวก็ทุกเวลาไม่ได้ยินเสียงไพเราะก็ทุกเนี่ยวิธีที่จะทําให้เราหยุดความอยากได้ก็คือต้องมาทําใจให้เฉยให้ได้ถ้าทําใจเฉยได้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาได้ยินเสียงด่าก็เฉยเวลาได้ยินเสียงชมก็เฉย ใจก็จะไม่ทุกข์นีตอนนี้ใจเรายังเฉยไม่เป็นใจเราชอบแว่งไปแว่งมากับการดีใจกับการเสียใจกับการรักกับการชังนั่นเองรักเสียงไพเราะชังเสียงนินทาว่ากล่าวพอจะเสียงนินทาก็เด้งหนีแว่งหนี พอได้ยินเสียงชอบก็แกข่งเข้าหายินดียินร้ายไปกับสิ่งต่างๆเช่นเสียงที่มาสัมผัสแล้วก็ส่งเข้ามาที่ใจมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิน้นกายแล้วก็ส่งเข้าไปที่ใจให้ใจเป็นผู้รับรู้ถ้าใจไม่มีไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะ ไม่มีอริยสัจสี่ก็จะหลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้เสพได้สัมผัสจะดีใจจะเสียใจไกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้เสพได้สัมผัสเวลาดีใจก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาสิ่งที่เราดีใจหายไปเวลาที่เสียใจ ที่เกิดจากการสัผัสสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาฉะนั mm hmm. ้นการดีใจหรือการเสียใจย่อมทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา mm hmm. วิธีที่จะทำให้ไม่เกิดความทุกข์ก็คืออย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจพยายามฝึกใจให้เฉย กับสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้อย่าไปดีใจเวลาได้สิ่งที่ชอบเดี๋ยวจะเสียใจเวลาสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบหายไปเรื่หมดไปอย่าไปยินร้าอย่าไปไม่พอใจกับสิ่งที่ไม่ชอบเดี๋ยวพอได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเสียใจขึ้นมา ต้องพยายามฝึกใจให้เฉยๆนี่คือการมาฝึกวิปัสสนาการฝึกสมถะภาวนาเพื่อมาสอนใจให้เฉยนั่นเองถ้าใจเฉยแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้ใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย เพราะใจไม่ได้เป็นผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายนใจเป็นเพียงแต่ผู้ไปสัมผัสรับรู้เรื่องของร่างกายที่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกร่างกายไม่ยกเว้นแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ก็ต้องตายเหมือนกันต้องแก่ต้องเจ็บเหมือนกัน แต่ใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอาหารหันตสาวกนี้ท่านไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะท่านฝึกใจให้เฉยกับความแก่ความเจ็บความตายได้นั่นเองท่านหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้โดยการใช้การปฏิบัติจิตตะภาวนา สมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาทำไมต้องมีสองภาวนาก็เพราะว่าการจะได้วิปัสนาภาวนานี้ต้องผ่านสมถะภาวนาก่อนถ้ายังไม่มีสมถะภาวนาจะไปเอาวิปัสนาภาวนาไม่ได้เหมือนกับการศึกษาเนี่ย ก่อนจะเข้าอุดมศึกษาได้ก่อนที่จะเข้าระดับปริญญาตรีโทเอกได้ต้องผ่านขั้นระดับอนุบาลประถมและมัธยมก่อนแต่ถึงจะสามารถเข้าถึงระดับอุดมศึกษาได้เข้าสู่ระดับปริญญาตรีโทเอกได้การจะเข้าสู่ระดับโลกุตละธรรม เข้าสู่ระดับอริยะมรรคอริยะผลเข้าสู่ระดับของพระอาริยะบุคคลต้องผ่านระดับสมถภาวนาก่อนถึงจะสามารถไปสอบเอ็นทรานเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาได้จึงแบ่งเป็นสองระดับด้วยกันคือสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนาการที่หนึ่งก็คือสมถภ า, าวนาแปลว่าการทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบเรียกว่าสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบนี้มีอยู่สองระดับด้วยกันเรียกว่าคณิกะสมาธิกับอัปปนาสมาธิ ระดับแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสงบแบบชั่วฟ้าแลบชั่วงูแลบลิ้นสงบเดี๋ยวเดียวเรียกว่าคณิกะสมาธิการที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิคือสงบได้นานนานกว่างูแลบลิ้นนานกว่าฟ้าแลบเรียกว่าอัปปนาสมาธิ การปฏิบัติสมถภาวนาก็จะต้องผ่านขั้นแรกก่อนคือขั้นคานิกะสมาธิถ้าไม่เคยมีสมาธิมาก่อนเวลาทำจิตให้สงบจิตรวมนี่จิตจะรวมได้เพียงชั่วขณะเดียวเพราะกำลังที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ยังมีไม่มากพอกำลังก็คือสติ ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมก่อนที่จะมานั่งถ้ามานั่งแล้วค่อยมาฝึกฝนอบรมสมาสตินี้จะไม่มีกาลังพอที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิได้ผู้ที่ต้องการดึงใจให้เข้าสู่สมาธิจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกสติก่อนที่จะเข้า มานั่งสมาธิกันเช่นฝึกเดินจงกรมฝึกมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบทหรือฝึกบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างใดอย่างหนึ่งเนจะใช้ร่างกายเป็นผู้ฝึกสติก็ได้จะใช้คำบริกรรมพุทโธเป็นผู้ฝึกสติก็ได้ แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบของผู้ปฏิบัติบางท่านชอบทำบริกรรมพุทธโธก็มันพุทธโธไปเรื่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเช่นวันพระเราไม่ไปทำงานเรามาลองปฏิบัติทำสักหนึ่งวันไม่ทำภารกิจอย่างอื่นนอกจาก เรื่องจำเป็นคือเลี้ยงปากดูแลปากท้องดูแลร่างกายดูแลความสะอาดของสถานที่ที่เราอยู่ไม่ทำงานอย่างอื่นเพราะเราไม่ต้องการที่จะใช้ความคิดไปกับการงานวันนี้เราจะมาหัดหยุดความคิดกันมาทำใจให้สงบเป็นสมาธิใจจะสงบเป็นสมาธิได้ต้องไม่คิด ถ้ามีเรื่องให้คิดมันก็จะไม่สามารถทำสมาธิทำใจให้สงบได้ผู้ปฏิบัติสมาธิจึงมักจะต้องไปเปกเวกไปอยู่ที่เงียบๆอยู่ที่ไม่มีการงานต่างๆให้คิดให้ทำมีแต่หน้าที่มาหยุดความคิดกันพอลืมตาขึ้นมาก็หยุดความคิดเลยพุทโธพุทโธเลย พราะไม่มีงานอะไรให้ต้องคิดนอกจากงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคือไปเตรียมตัวอ า, อาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวหรือทําอะไรใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ไปรับประทานอาหารก็ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากช่วงที่ทําเตรียมตัวก็ให้ใช้พุทโธพุทโธคอยห้ามความคิดไว้ อย่าให้ใจคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าให้คิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่ร่างกายกำลังเดินก็อยู่กับการเดินไปกำลังนั่งกาลังทำอาหทำอะไรอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็ให้ใจอยู่กับ งานที่ร่างกายกาลังทำอยู่นี่คือวิธีเจริญสติวิธีที่จะหยุดความคิดต่างๆถ้าไม่สามารถดึงใจให้อยู่กับร่างกายได้ใจยังวัดไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็ใช้คำบริกรรมพุทธโธเข้ามาเสริมด้วยก็ได้ทำอะไรไปก็พุทธโธไปด้วยดูไปด้วย อาบน้ำก็ดูกำลังอาบน้ำแล้วก็พุทโธกำกลับไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้นาหมายก็คือต้องการจะควบคุมความคิดหยุดความคิดไม่ให้คิดเนยถ้าเราฝึกทำอย่างนี้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอเราเตรียมตัวทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องภาระหน้าที่ของร่างกายเสร็จเราก็จะมีเวลาที่จะมานั่งสมาธิ เราก็จะมีสติพอเราได้เตรียมสติไว้ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาเราก็จะมีสติพร้อมที่จะนั่งสมาธิได้พอนั่งสมาธิถ้าเราใช้พุทธโธเราก็ใช้พุทธโธต่อไปได้ถ้าเราใช้การเฝ้าดูการกระทำของร่างกายพอร่างกายนั่งเฉยๆไม่มีการกระทำอะไร เราก็มาดูลมหายใจแทนดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอาณาปานาสติมีสติและเล็กรู้้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอจิตไม่ไปคิดอยู่กับเรื่องอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับพุทธโธได้ความคิดก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมา แล้วไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเพราะไม่มีความคิดมาขวางทางบังคัจิตจะไม่รวมเข้าสู่ความสงบเพราะมีความคิดมาคอยปิดกั้นเอาไว้เหมือนเวลาเราจะถ้าเราเป็นนักกีฬาตีกอล์ฟหรือเล่นบิลเลียดนี่เรามีหน้าที่ที่จะตีลูกบอลให้มันลงไปในหลุม แต่ถ้ามีอะไรมากั้นไว้ที่ปากหลุมเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะตีลูกบอลให้มันลงไปในหลุมได้เราต้องเอาสิ่งที่กั้นหลุมนี้ออกไปลูกบอลลูกกอล์ฟหรือลูกบิลเลียดมันถึงจะลงหลุมได้จังได้จิตของเราจะตอกหลุมของสมาธิได้ เราก็ต้องเอาสิ่งที่กีดขวางออกไปนั่นเองสิ่งที่จะกีดขวางจิตไม่ให้รวมเข้าสู่สมาธิก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆนี่เองเราเลยต้องคอยเอาการดูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธดึงเอาสิ่งที่เกีดขวางการรวมของจิตเข้าสู่สมาธิให้ออกไป พอเราสามารถดึงออกไปได้สำเร็จจิตมันก็จะรวมเข้าไปในสมาธิเวลาจิตรวมนี่ก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตกลุมตกบ่อตกเหวตกจากที่สูงลงมาแต่ไม่เจ็บไม่ต้องกลัวให้มีสติอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปเวลาจิตมันจะตกลุมตกบ่อตกเหวไม่ต้องไป ม่ภาควิจารไม่ต้องไปตนกตกใจไม่มีภัยไม่มีอันตรายพอจิตตกลงไปวุบหนึ่งแล้วทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสงบลงสิ่งต่างๆที่มีในใจก็จะหายไปชั่วคราวใจก็จะว่างเหลือแต่ผู้รู้ที่รู้ว่าตอนนี้จิตกำลังมีความสุขอย่างมาก เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเรียกว่านาัตติสันติบาังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีต้องถึงจุดนี้เราจะรู้เองอันนี้สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นถ้าจิตว่างหรือเราคิดว่ามันว่างหรือมันสงบ แต่ยังมันไม่มีความรู้สึกว่ามันสุขก็ยังไม่ถึงจุดนั้นถ้าถึงจุดนั้นแล้วมันไม่ต้องไปถามใครมันพอมันได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงมันไม่ถามใครเหมือนเวลาเราไปชิมอาหารที่ถูกอกถูกใจเรานี่ไม่ต้องไปถามใครว่าอาหารนี้อร่อยไหม ก็จะทำไงกับอาหารนี่พอได้กินได้ชิมอาหารที่ถูกใจชิมเสร็จแล้วทำไงถ้าชอบก็สั่งมาเลยตอนต้นไม่กล้าสั่งเพราะไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือไม่อย่างอย่างชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยนี่เวลาเห็นผลไม้แปลกๆไม่เคยกินมาก่อนไม่กล้าซื้อแมกค้าเลยต้องให้ชิมก่อน พอชิมสักชิ้นหนึ่งทุเรียนนี่ลองให้กินสักชิ้นหนึ่งนี้พอกินแล้วทีนี้รู้ว่ารสชาติเป็นไงถูกอกถูกใจนี้สั่งซื้อเลยอันนี้ก็เหมือนกันนั่งสมาธิถ้าจิตบวมเป็นสมาธิเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมันจะรู้เองมันจะไม่ต้องถามล้วจะทาไงต่อไป มันก็อยากจะนั่งให้เป็นอย่างมันก็อยากจะให้มันสงบอย่างนี้ไปนานๆสิถ้านั่งแล้วสงบแล้วมาถามก็แสดงว่ายังไม่สงบจริงจิตสงบแล้วให้ทำยังไงต่ออย่างนี้แสดงว่าไม่สงบจริงสงบปลอมสงบเทียมถ้าสงบจริงแล้วไม่ถามะสงบจริงมันก็อยากจะให้สงบอย่างนี้ไปนานๆมันไม่มีอะไรดีกว่าความสงบ ออกจากความสงบไปทำไมถ้ามันดีจริงถ้ามันไม่ดีจริงก็แสดงว่ามันไม่ใช่ความสงบจริงสิถ้ามันถามว่าจิตสงบแล้วให้ทำยังไงก็แสดงว่ายังไม่สงบจริงสงบจริงแล้วไม่ถามอยากจะให้มันสงบไปทั้งวันเลยอยากให้มันสงบไปตลอด2ีบสี่ชั่วโมงแต่มันยังทำไม่ได้ในเบื้องต้น มันก็สงบได้ตามกำลังของสติที่เราสร้างไว้นั่นเองขั้งแรกก็แบบงูแลบลิ้นหรือแบบฟ้าแลบสงบปุ๊บก็เด้งออกมาแล้ะเพราะมันมีตัวคอยดันให้จิตออกข้างนอกดันให้จิตออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสออกมาหาตาหูจมูกลิ้นกายก็คือตัวโมหะอวิชานี่เองตัวความหลง ที่คิดว่าความสุขที่แท้จริงความสุขนี้อยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญส่วนใหญ่พวกที่มาฝึกสมาธิใหม่ๆนั่งได้ปุ๊บก็อยากจะลุกแล้วอยากจะไปกินไปดื่มมากกว่าล่ะอยากจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยากจะไปหาเงินหาทองหาตำแหน่งกันนั่งแบบโก้ๆอย่างนั้นเองนั่งแบบ จะได้พูดได้คุยกับคนหนึ่นว่าเราก็นั่งสมาธิเป็นเหมือนกันแต่ถ้านั่งแบบนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่งแบบโกโก้นั่งแบบว่าเอออย่างนี้เขานิยมนั่งสมาธิเราก็ต้องนั่งกับเขาเขานิยมทําโยคะเราก็ต้องทําโยคะกับเขาเขานิยมขี่จักรยานเราก็ต้องขี่จักรยานกับเขาแต่ทําแบบไม่เอาจริงเอาจัง เนว่าทำแบบโกโก้พอที่จะอวดพอที่จะคุยกับเขาได้พี่นั่งสมาธิบ้างรึเปล่าโอ้ยนั่งสิน้องเลยไปเข้าคอร์ส3ามวันห้าวันอันนี้ยังแบบนั่งแบบโกโก้อ ย, บบยังไม่ได้เห็นผลถ้าเห็นผลแล้วนี้มันจะไม่ไปยุ่งกับอะไรแล้วมันจะไม่อยากจะไปหาลาบยศสรรเสริญ มันจะไม่อยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรถอะไรแล้วมันมีงานทำมันก็จะลาออกจากกานเพราะไม่รู้จะเอาเงินไปใช้กับอะไรมเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่าถ้าไปทำงานก็ต้องเอาเวลาไปหาเงินก็จะไม่ได้สมาธิถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องออกจากงานนี่ถ้าคนได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมจริงๆนะ จะเป็นอย่างนี้ไม่ถามใครมันจะบอกโดยอัตโนมัติว่าเมื่อเราเจอสิ่งที่มันดีที่สุดในโลกนี้แล้วเราจะไปหาสิ่งที่มันเลวกว่าทําไมใช่ไหมเมื่อเราได้รถโรลส์รอยแล้วเราจะไปขับรถเบนซรถอะไรทําไมขับโรลส์รอยไม่ดีกว่าอันนี้ไม่ต้องถามหรอกพอมันได้จริงท่าขอให้มันได้จริงๆทงนอะมันจะไม่ถาม ที่มีพวกมาเลาว่านั่งจิตสงบแล้วจะให้ทำไงต่อนี่แสดงว่ายังเป็นความสงบเทียมอยู่ความสงบตามความรู้สึกนึกคิดหรืออาจจะสงบจากความฟุ้งซ่านอันนี้เป็นไปได้เจ็ดวุ่นวายใจคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอมาพุโทโธพุโทโธอยู่พักหนึ่งมันหายฟุ้งซ่านแต่มันยังไม่รวมมันยังไม่เข้าถึงความสุข ที่เหนือวกว่าความสุขทั้งปวงเพราะว่าถ้ามันเข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วมันจะไม่ถามใครแล้วถ้าได้รถลาฮาที่ดีที่สุด ท, ที่ดีที่สุดในโลกนี้แล้วเราจะไปถามใครหรือเปล่าว่าจะทาไงกับรถคันนี้ดีก็เก็บไว้ใช้สิจะไปใช้รถยี่ห้ออื่นทำไมเมื่อได้รถ ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในโลกนี้นะเราจะไปซื้อรถยี่ห้ออื่นทาไมเราก็ใช้รถนี้ไปรักษารถนี้ให้อยู่กับเราไปนานๆ น, น, นี่คือเวลาได้สมาธิจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะไม่สงสัยมันจะไม่มันจะไม่ถามตัวเองว่าให้เราจะทำไงต่อไปว่าจะทำางก็ต้องทำให้มันมีมากๆมีนานๆขึ้นเท่านั้นเอง พอมันออกมาจากสมาธิปั๊บก็พยายามกลับเข้าไปใหม่ทันทีเหมือนเวลาเราชอบอะไรนี่พอเราต้องไปทำอะไรพอเสร็จจากทุระที่เราทำนี่ต้องรีบกลับมาทำสิ่งที่เราชอบต่อทันทีถ้าชอบเล่นเกมนี่เดี๋ยวพอต้องไปทำทุละพอเสร็จปั๊บก็กลับมาเล่นเกมทันทีอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะความสงบถ้าเราได้เข้าถึงตัวจริงแล้ว เข้าถึงตัวแท้แล้วนี้มันจะไม่ถามใครมันรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรต่อไปก็คือต้องพยายามนั่งให้บ่อยขึ้นมากขึ้นพอออกมาปุ๊บพอไม่ต้องทำอะไรก็กลับเข้าไปนั่งใหม่ก่อนจะกลับเข้าไปนั่งใหม่ถ้าสติยังมีกําลังไม่พอก็ปลุกสติขึ้นมาสร้างสติขึ้นมาต่อโดยการเดินจงกรมหรือเวลาทำอะไรก็ ทำด้วยสติควบคู่ไปเวลาออกมาจากสมาธิก็อย่าทิ้งสติรักษาสติต่อไปพุทโธต่อไปหรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปไม่ว่าเราจะไปทำอะไรก็ตามเราสามารถฝึกสติได้ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีภารกิจการงานต่างๆที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยเราสามารถปฏิบัติได้ เวลานั่งสมาธิออกมาก็จเจรเินสติต่อเลยอย่าทิ้งเลยพอออกมาปั๊บจิตจะเริ่มคิดปรุงแต่งถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดมันถ้ามันหิวน้ำก็ให้มันกินน้ำเปล่าๆอย่าให้มันหลอกกินน้ำกาแฟน้าชากินเครื่องดื่มมีรสมีชาติเพราะนี้มันเป็นกิเลสมันเป็นความอยากที่เราต้องการที่จะกำจัด แต่เรื่องของร่างกายนี้เราต้องอุปถัมม์มันไปถ้าร่างกายหิวน้ำก็ให้น้ำเปล่าๆร่างกายไม่ต้องการน้าที่มีสีมีกลิ่นมีรสตัวที่ต้องการน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสก็คือตัวกิเลสตัวความอยากที่เราต้องการที่จะกาจัดเราต้องอย่าหลงกลของกิเลสหลอกว่าร่างกายหิวน้ำต้องดื่มกาแฟ ดื่มกาแฟอย่างเดียวก็ไม่อร่อยต้องมีขนมเคี้ยวด้วย น, นี่ก็เป็นกลนลวงของกิเลสของความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่เราต้องการจะกำจัดเพราะถ้าเราทำแล้วมันจะอยากอยู่เรื่อยๆเวลานั่งสมาธิมันก็จะมามาขัดขวางมาสร้างนิวรขึ้นมาการมาฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส นั่งไปเดี๋ยวถ้าเกิดเผลอแวบคิดถึงกาแฟาขึ้นมานี่พุทโธหายไปเลยกงกาแฟรถนั้นรถนี้โผล่ขึ้นมาไม่รู้มาจากไหนเดี๋ยวพอไม่มีสติยับยั้งมันเดี๋ยวก็นั่งต่อไปไม่ได้ต้องลุกไปชงกาแฟาดื่มก่อนนี่ต้องต้องใช้สติเวลาออกมาจากการนั่งสมาธิแล้วต้องใช้เหตุผลเวลาที่ จิตจะต้องการอะไรต้องให้เป็นเหตุผลคือให้ได้แต่สิ่งที่ร่างกายต้องการเท่านั้นและร่างกายถ้าเราปฏิบัติทำเราก็ให้มันกินหนเดียวพอกินหนเดียวเสร็จแล้วทีนี้ถ้ามันอยากจะกินอีกนี่ถือว่าเป็นเรื่องของกิเลสละอย่าปล่อยให้มันกินเช่นมาถือศีลแปด น, นี่ก็ไม่ให้กินหลังเที่ยงวันแล้ว พอหลังเที่ยงวันอยากจะกินนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของร่างกายร่างกายได้อาหารพอเพียงแล้วสิ่งที่ร่างกายต้องการนอกจากอาหารก็คือน้ําดื่มนั่นนั้นเองที่ต้องมีให้ดื่มอยู่เรื่อยๆน้ํำดื่มก็ไม่อย่าให้มีสีมีกลิ่นมีรสเพราะนั้นมันเป็นการสร้างกิเลสขึ้นมาที่จะทําให้มาขัดขวางเวลาที่เรามานั่งสมาธิกัน เป็นวิวรณ์เป็นการมฉันทะขึ้นมาอพอเราออกมาแล้วจัดการกับความต้องการของร่างกายเสร็จเรียบร้อยเช่นปวดฉี่ก็เข้าห้องน้ําฉี่หิวน้ําก็เดือบน้ําเมื่อไม่มีทําอะไรต่อก็กลับไปนั่งต่อถ้ารู้สึกว่ายังนั่งไม่ได้ยังสติไม่พอก็เดินจงกรมไปก่อนอเดินจงกรมไปพุทโธพุทโธไป หรือเฝ้าดูการเดินไปอย่าปล่อยให้เกิดความคิดต่างๆขึ้นมาเดินไปสักพักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงยิ่งเดินได้นานยิ่งมีสติมากนะพอเวลามานั่งก็จะนั่งได้นานขึ้นเนี่ยต้องทำอย่างนี้สลับกันไปเข้าออกถ้าเป็นนักปฏิบัติแบบเ อ, เอาจิงเอาจังแบบมืออาชีพจะไม่ทำอย่างอื่นนะ ต่ต้องการสร้างความสงบสร้างรถแห่งธรรมนี้เป็นอย่างเดียวเป็นเครื่องอยู่ดีกว่าอยู่กับลาบยศสรรเสริญอยู่กับรูปเสียงกิน่นล่นที่เป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เป็นเหมือนยาเสพติดเวลาที่ขาดมันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาสู้มาเสพความสงบดีกว่า ความสงบที่ปราศจากพิษภัยต่างๆเวลาไม่ได้มีความสงบก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกับเวลาไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสนี่คือการปฏิบัติขั้นต้นขั้นสมถะภาวนาต้องพยายามทำให้มันมีมากๆบางท่านนั่งสมาธิหน่อยคิดว่าสงบแล้วถามว่าไปวิปัสสนาได้หรื อ, อยังโอ้ยังอีกไกล สมถะนี้บางคนเขาใช้เวลาปฏิบัติเป็นปีเป็นปีต้องให้มันสงบตลอดยี่บสี่ชั่วโมงก่อนสงบทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิสงบทั้งในขณะที่ออกจากสมาธิมาถึงจะพร้อมที่จะไปทางวิปัสสนาได้อนไม่ต้องกังวลเรื่องวิปัสสนา เหมือนเริ่มเรียนอนุบาลนี้อยากไปต้องกังวลเรื่องปริญญาตีโทเลยว่าจะไปเรียนคณะไหนดีจะไปเรียนแพทย์ไปเรียนวิศวะเอาให้มันกอไก่ขอไขให้มันลอดก่อนเถิดอย่าเพิ่งไปกังวลกับเรื่องอวิปัสสนาภาวนาพิจารณาอะไรเลยเอาสติเอาสมาธิให้มันนั่นปึงก่อนเอาให้มันอยู่ในกำรร ม, มือให้เราให้ได้ก่อน สั่งให้มันสงบได้ทุกเวลาก่อนอันนี้ห้ามมันไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดอะไรต่างๆให้ได้ก่อนห้ามไม่ห้มนออกไปเที่ยวข้างนอกให้ได้ก่อนแล้วค่อยมากังวลกับเรื่องวิปัสสนาถ้ายังห้ามจิตไม่ได้จะไปวิวปัสสนาเดี๋ยวมันก็ลากออกจากวิปัสสนาไปคิดเรื่องอื่นแทนอยู่ดีเห็นยังไม่ต้องกังวล ในแนวความในความเป็นจริงของการปฏิบัติเนี่ยวิปัสสนาว่าสำหรับคนบางคนกว่าจะได้สมาธินี่เป็นปีเนี่ยไม่ใช่ถึงแม่ถึงแม้มจะได้รวมแล้วยงแต่ก็ยังรวมแค่สั้นๆต้องทำให้มันรวมให้ยาวๆนานๆแล้วพอออกมาก็ต้องมาเสริมกำลังของสติใหม่เพื่อจะได้กลับเข้าไปใหม่อีก จนกว่าที่จะสามารถทำให้มันสงบได้ทั้งเวลาที่ออกมาและเข้าไปถึงพร้อมที่จะมาทางวิปัสสนาได้เห็นเบื้องต้นพยายามฝึกสติฝึกสมาธิไปเรื่อยๆก่อนเหมือนกับตอนที่เราไปเรียนอนุบาลเราหัดท่องกอไก่ขอไข่ไปก่อนท่องมันไปจนกระทั่งมันจําได้ไม่หลงไม่ลืม ต้องนับหนึ่งสองสามไปให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยมาหัดสะกดกันกอสระอกอสระอาะหัดออกเสียงกันไปเป็นขั้นเป็นตอนไปการปฏิบัติมันเป็ น, นเหมือนกับการเรียนหนังสือนะมันมีขั้นมีตอนไม่ใช่จะเลือกปฏิบัติเอ้ยเราไม่ชอบสมถะเราชอบวิปัสสนาเอาเลือกเอาอยากจะเลือกก็เลือกไป แต่มันจะไม่ได้ผลวิปัสนาโดยปราศจากสมถะนี้เป็นไปไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปดับความทุกข์ต่างๆได้ถ้าไม่มีสมถะภาวนาไม่มีอุเบกขาเป็นผู้สนับสนุนต้องสร้างสมถะความสงบหรืออุเบกขานี้ให้มีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือออกนอกสมาธิมาก็มีอุเบกขา ตอนนั้นถึงจะใช้วิปัสสนามาสอนใจให้วางเฉยกับสิ่งต่างๆได้ถ้ายังไม่มีอุเบกขามันก็จะมีมันก็จะกิ้งไปกิ้งมาเหมือนเดิมมันก็จะรักชังกลัวหลงเวลาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบก็รักขึ้นมาเวลาไปสัมผัสกับที่ไม่ชอบก็ชังขึ้นมาเวลารักก็ทุกอย่างหนึ่งเวลาชังก็ทุกขึ้นมาอีกอย่าง ว่าไม่มีอุเบกขาเราต้องการอุเบกขาตลอดเวลาเวลาที่เราเจอสัมผัสกับอะไรพอมันจะรักจะช่างก็ดึงมันกลับมาที่อุเบกขาบอกว่าการรักการช่างนี้ไม่ดีเพราะเป็นทุกข์เนี่ยรักอะไรแล้วทุกข์ไหมรักแฟนแล้วทุกข์ไหมห่วงแฟนห่วงแฟนนะสิถ้าไม่รักแฟนจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์อะมันจะไปนอนกับใครก็ช่างหัวมันเนย แต่ถ้ารักมันนะที่นี่มันนอนกับใครได้หรือเปล่าไม่ได้นะเวลาชังก็ทุกเวลาต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบก็ทุกข์อีกนะแต่ถ้าเราไม่รักไม่ชังนี่เราอยู่กับใครก็อยู่ได้คนที่เราไม่รักไม่ชังนี้อยู่กับเขาได้สบายเขาจะทำอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนไม่กังวล น, นี่คือสิ่งที่เราต้องการจากการปฏิบัติสมถภาวนา เราต้องการให้ได้อุเบกขาอุเบกขาแบบยาวไม่ใช่แบบชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิต้องการให้มันออกมาก็มีอุเบกขาถ้ามันหมดก็ต้องกลับเข้าไปเติมใหม่อุเบกขานี่เปรียบเทียบก็เหมือนกับน้ำน้าเย็ น, เ, นยเวลาเราน้าเขาไปแช่ตู้เย็นถ้าแช่นานมันก็จะเย็นมากถ้าแช่ไม่นานมันก็จะเย็นน้อย พอเอาออกมาจากตู้เย็นถ้าแช่ไม่นานมันก็จะหายหายเย็นเร็วถ้าแช่ไว้นานมันก็จะหายเย็นช้าแต่มันจะหายพอมันจะหายเราก็ต้องเอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นใหม่อุเบกขาก็เหมือนกันความเย็นของใจเวลาอยู่ในสมาธิมันก็ทำให้ใจเราเย็นเป็นอุเบกขาพอเราออกจากสมาธิมาไม่นานเดี๋ยวอุเบกขาก็จะหายไป เวลาออกมาใหม่ๆนีรู้สึกสดชื่นเบิกบานสบายใจใจเฉยใจปล่อยวางแต่พอสักระยะหนึ่งแล้ว เ, เดี๋ยวความเย็นของใจหายไปเริ่มยึดเริ่มติดแลเริ่มอยากเริ่มรักเริ่มชังขึ้นมาแล้วพ อ, อเบรคขาหายถ้าเป็นนักปฏิบัติก็กลับเข้าไปเติมหูเบคขาใหม่กลับก็ไปในอัปปนาสมาธิใหม่ทาอย่างนี้สลับกันเข้าออกไป จนสามารถรักษาสมถะได้ทั้งสองเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิเป็นเวลาสร้างอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิก็เป็นเวลาเอาอุเบกขาออกมาใช้พออุเบกขาหมดก็กลับเข้าไปสร้างใหม่เหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่เครื่องมือถือเราเเวลาเราไม่มีมือถือไม่มีไฟแบตหมดเราก็ต้องเอาไปชาร์จแบต ชดนานมันก็จะออกมาใช้ได้นานชัดไม่นานก็ออกมาใช้ได้ไม่นานสมาธิก็แบบเดียวกันเป็นพลังของใจก็ดได้ว่าได้พลังหยุดพลังเฉยนี่เองคืออุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้เกิดจากการทำสมถะภาวนาจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกสมถะภาวนาจนให้มันหมดครบหลักสูตรก่อน ไม่ใช่พอได้แค่พอเริ่มต้นพอจิตสงบแล้วบอกพอแล้วขอไปวิปัสสนาแล้วจะรีบไปนิพพานนะยังหรอกยังไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวนิพพานไม่หนีเราหรอกขอให้เรามีกําลังไปเท่านั้นแหละแต่ยังไม่มีกําลังไปเดี๋ยวไปได้แค่สองสามเก้าก็ล้มลงมาแล้วพ อ, อเบรคขาหมดเนี่สู้กิเลสไม่ได้แนละ้วพอดักอยากได้อะไรนี่สู้มันไม่ไหวแล้ว ยอมแพ้เหมันฉะนั้นใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปวิปัสสนามาสร้างอุเบกขาสร้างสมถะให้มันนั่นปึ๋งก่อนให้มันเป็นสมถะทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะออกมาขณะที่อยู่ในสมาธิก็เป็นเวลาที่เราชาร์จสมถะชาร์จอุเบกขากันเหมือนกับเวลาเราใช้มือถือนี่เราก็ต้องชาร์จมันเวลาชาร์จมันเราก็ไม่ไปใช้งานมัน ส่วนใหญ่เราจะชาร์จมันตอนที่เราพักผ่อนหลับนอนพอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาแบตก็เต็มเครื่องเราก็หยุดชาร์จแล้วเราก็เอาไปใช้งานได้ทั้งวันพอตกเย็นตกค่ำขึ้นมาแบตก็หมดนก็ต้องชาร์จใหม่อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องชาร์จอูเบขาให้มันอยู่ไปนา น, น, าน เพื่อที่เวลาเราออกจากสมาธิมามันยังเย็นยังอุเบกขายังปล่อยวางได้อยู่ยังไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้อยู่แล้วพออะไรมากระทบแล้วมันจะดึงให้ออกจากอุเบกขาตัวที่จะดึงก็คือความอยากนี่เองการมักตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาพอไปสัมผัสกับอะไรมันก็จะชอบจะอยากได้ขึ้นมาก็สแสดงว่า ต้องใช้ปัญญาสอนมันสอนมันอย่าไปให้อยู่ที่อยู่เบรกขาดีกว่าสอนมันว่าไปแล้วจะทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มันเป็นของชั่วคราวได้แล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันเสียไปวันหมดไปพอเวลาเสียเวลาหมดความสุขที่ได้จากมันก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทนีถ้ามีปัญญาปุ๊บมันก็จะสะกัดความอยาก สกัดการดึงใจให้ออกจากอุเบกขาได้ใจก็ตั้งอยู่ในอุเบกขาต่อไปได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้เช่นพอไปเจอความแก่ก็เฉยได้เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยได้เพราะห้ามมันไม่ได้ร่างกายเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมัน มันแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันตายก็ต้องปล่อยมันตายไปถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันต้องอยู่ในอุเบกขาตลอดเวลาด้วยการใช้ปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับทั้งนั้นได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็จะต้องสูญเสียไปถ้าไม่อยากจะทุกข์กับการสูญเสียก็อย่าไปได้มาอย่าไปมีมัน เมื่อเรามีอุเบกขาแล้วเรามีความสุขอยู่แล้วเลือกอะไรไปแว่งเท้าไปหาเสียนทำไมอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับอุเบกขาอยู่กับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงดีกว่า น, นี่คือท่านวิปัสสนาที่จะตามมาต่อไปถ้าเรามีสมถภาวนาอย่างสมบูรณ์แล้วมีอุเบกขาตลอดเวลาเวลาที่ออกจากสมาธิมาเราทราบ สามารถมีอุเบกขาไว้ต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ต่อไปความอยากต่างๆก็หมดลงถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เป็นไตลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้อะไรอีกต่อไปพอไม่มีความอยากแล้วเทนี้ใจก็จะสงบไปอย่างถาวรเป็นอุเบกขาไปอย่างถาวร ว่าไม่มีอะไรมาหลอกมาล่อมาดึงใจให้ออกจากอุเบกขาอีกต่อไปใจที่เป็นอุเบกขาอย่างถาวรก็เรียกว่านี่ผ่านนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตาสาวกที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากต่างๆถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยาก สิ่งที่จะหยุดความอยากได้ก็คืออุเบกขาเองและปัญญาที่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นมันเป็นไตรลักเป็นอนิจจทุกขังมนัตตานี่คือเรื่องของการมาปฏิบัติธรรมเพื่อเปิดตาในคือตาใจเพื่อที่จะได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากเห็นไตรลักษณ์ ถ้าเห็นทุกข์สมูทัยนิโรธเห็นตายรักษ์ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในใจแล้วก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้ใจก็จะพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปริรปุเรนติสาคขังเอวเมวอิโตถินังเปตางนังอุปกะปติอิท e ิตังปฏทิตังต an ุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุส um ัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะราโสยะถามณิโชติ อระโสยะถาสัพพิต so ิโยวิวัจฉานตุสัพปะโรโวินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขาโยกุภวะอภิวาตนาสีฤทธานิจจังวุฒาปจายโนยะตาโรธรมมวทานติ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 วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านนี้เท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก f a c e b o o สองร้อยเก้าสิบแปดยทสาม้อยหสิบห้าวิดีอออนไลน์สิบสามผู้รับฟังวันนี้หกสิบเก้ารวมเจ็ดร้อยสสิบห้าท่านค่ะ Facebook มีปัญหาเลยค่ะสัญญาณไม่เสถียรค่ะปกติสามร้อยกว่ากลมาถามยังมีมีคำถามไหมมีค่ ะ, ะจากผู้รับฟังวันนี้นะคะ ขอพระอาจารย์เมตตาป่วยบ่อยเพราะโดนลมพัดลมเพตลอดคืนถูกผีเลยป่วยเป็นเพราะอะไรคะและต้องแก้ไขยอย่างไรคะก็อย่าให้ลมมันพัดสิเป็นหน้าต่างห่มผ้าเหตุมันก็บอกอยู่แล้วถูกลมพัดล ม, พดลมเพก็อย่าให้มันพัดสิมันก็จะได้ไม่ป่วยคําถามฝากถามนะคะเมื่อเกิดโลภะโทสะโมหะ แล้วอยากกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปตามอารมณ์นั้นๆใจหนึ่งยังคิดไม่อยากทำให้เป็นบาปเวรแต่อีกใจบอกว่าทําไปเถอะไม่มีใครรู้หรอกเรื่องเล็กๆน้อยๆใครๆเขาก็ทำกันทาแล้วจะได้หายเครียดเมื่อได้ตัดสินใจทําลงไปอีกไม่นานมักจะเกิดปัญหาเดือดร้อนทำให้หวนนึกถึงเรื่องที่ได้ลงมือกระทาไปเหมือนผลของกรรมชั่วทา ตามทันตาเวลาทำกรรมดีไม่ค่อยเห็นผลเลยเป็นเพราะเหตุใดคะเห็นแต่เรามองไม่เห็นเองทำความดีใจเราก็ไม่วุ่นวา ย, ยใจเราก็สงบไม่มีเรื่องมีราวนั่นก็คือผลของการทำความดีจะไปได้รางวัลที่ไหนมันไม่เกี่ยวการทำความดีไม่ไหนมาคำว่าจะได้เงินเดือนขึ้นจะได้มีคนมอบโล่มอบรางวัลให้อันนั้นเป็นเรื่องของแถมบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ แต่ผลที่ได้ก็คือใจไม่มีเรื่องมีราวใจเย็นใจสบายใจไม่เดือดร้อนกับใครแต่พอทําบาปแล้ววุ่นวายใจนมันต่างดูผลดูที่ใจไม่ใช่ไปดูข้างนอกข้างนอกเป็นของแถมบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ทําบาปแล้วไม่ติดคุกก็มีหนีได้มีเงินซื้อตำรวจจ่ายตรวจได้จ่ายอายการได้จ่ายศาลได้มันก็ไม่ติดคุกก็มี อเรื่องของแถมแต่เรื่องของกฎแห่งกรรมนี้มันมันตายตัวทำบุญแล้วสุขใจทำทุกข์แล้วบาปทำบาปแล้วทุกข์ใจเวลาใจตายเวลาร่างกายตายไปใจที่ทุกข์ก็เป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นนรกไปถ้าใจที่สุขก็เป็นสวรรค์ไปเป็นเทวดาไปก็มีเท่านี้แหละเป็นของจริงของแท้แต่เรื่องของแถมนี่ไม่ไม่แน่นอน ทำดีแทบตายไม่มีใครเห็นก็ไม่มีใครให้รางวัลทำชั่วแทบแทบไร้ากาศขนาดไหนไม่มีใครเห็นก็ไม่ถูกจับไปลงโทษแต่มันหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นทำชั่วแล้วใจมันไม่มีวันที่จะสุขหรอกคำถามจากคุณพิทักษ์ในการกระทํางานต่างๆเช่นงานในชีวิตประจําวันหากเรามีสติจดจ่ออยู่กับการทํางานนั้นเพียงอย่างเดียว โดยพยายามบังคับไม่ให้สติคิดไปในเรื่องอื่นนอกจากงานที่กระทำอยู่ตรงหน้ากระทำจนกระทั่งสำเร็จสมบูรณ์และไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเลยในงานนั้นถ้าเปรียบงานในทางจิตภาวนาเมื่อจิตมีความสงบและเป็นสมาธิอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อนำออกมาพิจารณาก็ย่อมมีสติที่จะจดจ่ออยู่กับงานที่จิตกำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว จนจิตเข้าใจในเรื่องที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้นการเข้าใจของกระผมเช่นนี้เข้าใจถูกต้องไหมขอรับไม่ถูกหรอกถ้ามีสติแบบที่คิดได้มันก็เข้าสมาธิไม่ได้นี่ยมันต้องมีสติแบบไม่คิดเนี่ยถึงจะเข้าสมาธิได้ถ้ามีสติแล้วนั่งคิดคิดกันเรื่องนั่งคิดมีสติอยู่กับความคิดมันก็คิดไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีวันสงบ เพราะฉะนั้นมันต้องมีสติแบบไม่คิดก่อนแล้วค่อยมาใช้สติแบบคิดหลังจากที่มีสมาธิแล้วก็มาใช้สติแบบคิดบังคับว่ามันคิดในเรื่องายรักษในเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาในเรื่องอสุภะนี่มันก็จะได้เป็นปัญญาขึ้นมาคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม เวลาพุโทโธต้องคอยควบคุมตลอดเวลาเพราะถ้าไม่คุมใจจะลอยออกไปเบาๆกว่าจะรู้ตัวก็คิดหลายเรื่องไปแล้วแต่มีคนบอกว่าให้พุโทโธสบายๆไม่ต้องไปคุมถ้าคุมจะเป็นการเพ่งมากเกินไปอันไหนถูกต้องคะอันไหนก็ได้ขอให้มันหยุดคิดก็แล้วกันบางคนต้องคุมก็คุมบางคนไม่ต้องคุมก็ไม่ต้องคุมแต่ละคนมีเจริญไม่เหมือนกันบางคนว่านอนสอนง่ายก็สบายสบาย บางคนเด้อก็ลังตอบหัวหน่อยเหมือนจะฟังคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามเคยถามหลวงพ่อเรื่องเป็นมะเร็งทำให้ผ่อนบ้านต่อไม่ได้จนธนาคารยึดบ้านหลวงพ่อเคยบอกว่าผ่อนบ้านไม่หมดก็ถือว่าเราผ่อนบ้านเขาเราไม่บาปแต่หลังจากนั้นธนาคารก็ยังตามทวงหนี้ยังไม่จบทุกข์มากเช่นนี้ควรทำใจอย่างไรเพื่อไม่ให้ทุกข์กับชีวิตที่เหลืออยู่เจ้าคะ่ะ ก็มีก็ใช้เหมือนไปไม่มีก็ไม่ใช้นั่นนจะทำยังไงใช่ไหมอยากจะอย่างมากก็จับเราไปติดคุกติดตารางหรือฟ้องร้องให้เราล้มเราลายก็เท่านั้นเองก็ยอมรับวิบากไปเท่านั้นมันก็จะหายทุกข์คำถามจากคุณสิริพรคุณแม่ติดเตียงเป็นอัลไซเมอร์ให้อาหารทางสาย หมอสั่งห้ามกินทางปากแต่ร้องกินให้ได้ไม่ยอมเราป้อนแล้วสำลักติดคอถึงกับเสียชีวิตเราจะบาปไหมคะไมไ่บาปหรอกเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าท่านเราตั้งใจจะช่วยท่านท่านอยากจะกินก็ทาตามที่ท่านอยากทาท่านสำลักก็เรื่องของท่านคนคนเราบางคนกินเองสำลั ก, กเองได้เลยตายได้ยังั้นก็ฆ่าตัวตายแล้ววาไม่ได้ฆ่าตัวตาย ไม่มีเจตนาจะฆ่าตัวตายด้วยการทําลักอาหารเนี่ยกินแล้วไม่มีสติเพอแทนที่จะเข้าไปในหลอดห ล, ลอดอาหารกับนอดกับข้างไปในหลอดลมมันก็หายใจไม่ได้มันก็ตายได้เนีงั้นถ้าไม่มีเจตนาไม่บาปเนี่ยคำถามจากคุณข้อปุ้นการเบิกบุญมาใช้เป็นไปได้หรือเปล่าคะได้ยินลูกศิษย์หลายๆที่พูดกันไม่ต้องเบิกมันมาของมันเองถึงเวลามันจะมามันมาเอง เวลายังไม่มาเบิกมันก็ไม่มีเหมือนดอกเบีย้ยถ้ายังดอกมันยังไม่ถึงเวลาออกดอกมันก็ไม่มีดอกให้เบิกหรอกเห็นมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยเรื่องบุญเรื่องบาปนี่มันเป็นเรื่องของอัตโนมัติทาแล้วก็รอรับผลเท่านั้นเองจะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้คําถามจาคุณพันดา ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของจิตและกายด้วยค่ะว่าเราจะสามารถแยกออกได้อย่างไรว่าจิตและกายนั้นเป็นคนละตัวกันและต่างกันอย่างไรเราควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ถูกวิธีและมีประโยชน์จริงๆเจ้าค่ะก็จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไงกายเป็นเหมือนรถยนต์จิตเป็นเหมือนคนขับรถก็ท่านั้นแหละถ้าไม่มีจิตถ้ารถไม่มีคนขับรถก็ไปไหนไม่ได้ก็จอดอยู่กับที่ คนขับก็คือจิตน่่งกายก็คือรถจิตเป็นผู้ขับร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปไหนมาไหนสั่งให้ถามนี่ก็จิตเป็นคนสั่งแล้วร่างกายก็พิมพ์ข้อความส่งเข้ามาก็จิตเป็นนายกายเป็นบา่าวจิตเป็นผู้รู้ผู้สั่งผู้คิดร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งทำตามคำสั่งของจิตอีกททนึง จิตกับร่างกายมาเกาะติดกันมาแต่งงานกันตอนที่พ่อแม่สร้างร่างกายขึ้นมาแล้วก็จะเป็นคู่ผัวเมียหรือเป็นนายกบ่าวไปจนถึงวันที่ร่างกายตายไปพอร่างกายตายไปจิต ท, ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปคําถามจากคุณปิยา น, านันในบางสุดท้ายก็แล้วกันะ ในบางครั้งมีจิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะขอกราบเรียนถามว่าจิตอกุศลนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะเพราะนิสัยสันดานมันชอบคิดแบบเดิมแบบนั้นมามันก็ติดเป็นนิสัยมาวิธีก้าก็คืออย่าไปทําตามมันแล้วถ้ามันคิดก็หยุดมันด้วยการใช้สติพุโทโธพุโทโธไ ป, พ, ไปพอคิดไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธไปดีกว่าอย่าคิดดีกว่าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ ก็จะไม่มานี่คือมันมาจากนิสัยเดิมใครคิดแบบนี้มามันก็จะคิดเป็นปนิสัยไปวิธีจะแก้นิสัยก็อย่าไปทำตามมันพอ ไ, ไม่ทำตามมันต่อไปมันก็หายไปก็มีท่านี้แล้วนะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ